สถานีรถไฟสายมหาชัยณวงเวียนใหญ่ทนบุรีในทุกๆวันเสาร์จะมีคนเนืองแน่นไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็ข้าราชการที่มีถิ่นฐานอยู่ที่มหาชัยแล้วก็แม่กลองจะกลับไปพักผ่อนยังบ้านเกิดแห่งตนแต่ว่าเสาร์หนึ่งนั้นมีพวกพิเศษกลุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือพวกทางานหนังสือพิมพ์ที่เกิดจะไปเที่ยวหย่อนใจอยู่ที่ทางบ้านปากน้าแม่กลองสมุทรสงคราม เรื่องการเดินทางสนุกของหมู่คนหนุ่มๆไม่ต้องพูดกันว่าจะไม่เกี่ยวกับการดื่มสุราเป็นเรื่องเบิกทางอย่างไม่รู้จักจบในระหว่างที่คอยเวลารถออกอยู่นั้นก็ดูสับสนตามร้านสุราอยู่แล้วพอรถเคลื่อนที่พวกนี้ก็เริ่มเบิกทางบนรถอีกโดยใช้ขวดเหล้าใหญ่ที่ซื้อมาใส่ขวดละหนึ่งกักแล้วก็เติมโซดาให้เต็มหิ้วติดมือไปหลายขวดพร้อมด้วยของแกล้ม รถผ่านตลาดพลูหยุดลงที่สถานีตามระเบียบแม้ตลาดพลูเดี๋ยวนี้ยจะเดินหูจะเดินตาผิดแต่เมื่อก่อนไปมากเลยนะในเพิ่มผู้อยู่ในกองนี้พูดก็เมื่อสมัยก่อนเที่ยวสนุกนักเสาร์อาทิตย์มาเป็นจมอยู่บ้านเพื่อนที่ชายคลองบางหลวงนั่นแหละตอนเช้าเนี่ยก็เตร็ดเตรตามตลาดหน้าหนาวนาวก็แอบมาแวะที่หัวมุมห้องแถวโน้นเขามีของดี ก็เล่าโรงตุ๋นไงพอร้อนดีก็ใส่การน้ำร้อนแล้วก็เอามาลงตะกร้าที่มีนวมเติมยาผงชนิดแก่พริกไทยไปด้วยเวลาหนาวๆ น, นะกินเหล้าด้วยวิธีนี้เนี่ยอร่อยนักใครมองห่างๆก็นึกว่าเราซดน้ำชาเพราะว่าเราใช้ถ้วยชารินเหล้ากินนอกจากดูให้ดีก็จะเห็นสิ่งผิดปกติที่เรากินน้ำชากับม ย, ยมจิ้มพริกกับเกลือบ้างกุ้งแห้งบ้างมันมีที่ไหนล่ะ พูดจบในเพิ่มก็ดวดเล่าเติมสดาแทนเล่าโรงตุนอย่างที่พูดการไปแม่กลองของคณะนี้ก็ด้วยในหมู่คนงานหนังสือพิมพ์คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวแม่กลองชื่อว่าเกิดเสาร์อาทิตย์เป็นชวนเพื่อนๆไปกินปลาทะเลกันอยู่เสมอพวกที่มาในคราวนี้ปากก็จะบ่นว่าไปถึงที่กินจะกินปลาไอ้นั่นปลาไอ้นี่แต่ว่าในขณะที่ยังนั่งอยู่ในรถก็เล่นกุ้งแห้งไปบ้างปิดพะโล้ไปบ้างพลางๆไปก่อน พอรถไฟสุดสถานีที่มหาชัยฝูงคนก็รีบลงจากรถไปลงเรือของรถไฟข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นขบวนรถแม่กลองที่จอดรออยู่พอคนขึ้นเรียบร้อยรถก็ออกวิ่งไปสู่แม่กลองเป็นหมดรถไฟกันละขณะที่ยังไม่ได้ลงเรือก็ไปบ้านที่ปากอ่าวก็เที่ยวตลาดกันก่อนผักพวกเห็นปลาแล้วก็ผักต่างๆก็อยากจะซื้อแม้ปลาดุกทะเลตัวงามๆทั้งนั้นน่าซื้อไปจังเลยแฮะ ในประดิษฐ์บน่นปะโทในเกิดผู้มีเลือดทะเลร้องมาบ้านปลาแทๆ้ๆจะมาซื้อปลาตลาดไปก็อายกันแย่ในเกิดเจ้าถิ่นพูดกับปลาของเราเนี่ยมันต้องเย็นๆถมเถไปตอนนี้กินเป็ดกินไก่กันไปก่อนก็แล้วกันพูดแล้วก็ชวนกันเข้าร้านอาหาร กองทัพนักกินทั้งหกคนเดินทางมาถึงบ้านของในเกิดที่ปากคลองจะเกรงเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เลนเหลวถ้าน้ำขึ้นแล้วก็เป็นเรือนแพเดินไปไหนก็ไม่ได้ลงจากเรือนก็ต้องเรือทีเดียวเวลาน้าลงแห้งจะลงเรือก็ต้องเดินสะพานยาวไปกว่าจะถึงน้ำพอถึงเรือนเรียบร้อยในเกิดก็บงการให้ทุกคนในกองทัพนักกินเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไปลงทะเลจับปลาแล้วก็ไปงมหอยกัน ทิดกล่อมนั้นซึ่งทำหน้าที่เป็นกับตันเรือทิดชายเป็นต้นหนมีหญิงสาวบ้นบานๆอยู่นั้นอีกสามคนเป็นลูกเรือพวกกรุงเทพเป็นพวกผู้โดยสารในเกิดนั้นแม้ว่าจะเป็นชาวทะเลเก่าแต่ว่าก็มาอยู่ในกรุงสนานกลับไปบ้านก็พึ่งในตำแหน่งอะไรไม่ได้นอกจากกินเหล้าในเกิดก็เลยต้องเตรียมเต่าอั้งโลกระทะแล้วก็น้าปลาน้าส้มพริกพอได้อาศัยปรุงกินอย่างลวกๆเมื่อชาวประมงที่อยู่ในกลุ่มของคณะ ได้ปลาได้กุ้งขึ้นมาตามทางกัะตันกล่อมจะได้คัดวาดแจวแวะเข้าชายฝั่งน้ําใกล้ปากอ่าวที่มีไม้ปักไว้เป็นกอสําหรับภาษาคนหาปลาเรียกกอไม้อย่างนี้เป็นภาษาจีนว่าซังหรือจะให้ตั้งตรงคําไทยก็น่าจะเป็นซังเพราะว่ามันเป็นหมู่ไม้เป็นเรียวหนามเป็นกระสังรุงรังแต่ว่าอีกคำหนึ่งก็เรียกว่ากร่อมเป็นที่ล่อปลาให้เข้าไปอยู่ เขาก็จะใช้ไม้ยาวๆปักล้อมเป็นวงกลมสำหรับตรงกลางนั้นก็จะสุมด้วยขแขนงไผ่หรือกิ่งไม้ล่อให้ปลามาหลบภัยเพราะว่าธรรมดาเมื่อปลาเกิดตกใจจะเข้าที่ซ่อนในดงไม้ใครจะช้อนใครจะทอดแถย่ย่อมทำไม่ได้พอกับตันเบนเรือเข้าไปต้นหนฉายก็ร้องสั่งลูกเรือว่าตีน้ำ แม่หญิงสาวสามคนก็หยิบถ่อหยิบพายขึ้นมาตีน้ำกันตูมตามตุมตามแล้วก็ผูกเรือกับกอไม้ลูกเรือหญิงกับตันหนฉายก็ลากมัดเฟือกลงน้ำแล้วก็ช่วยกันคลี่เฟือกออกเข้าโอบล้อมกอไม้นั้นพอรอบดีแล้วก็กดลงในโคลนให้แน่นดีแล้วก็ดึงพวกหนามต่างๆโยนไปไว้ในกองน้ำห่างออกไปเพื่อจะสร้างใหม่เมื่อจับปลาได้แล้วเมื่อเอาหนามขึ้นหมด ต้นหนชายก็สั่งลูกเรือหญิงกลับขึ้นเรือแล้วก็เรียกให้ส่งสวิงลงไปต้นหนฉายเอาสวิงช้อนยกขึ้นมาก็มีปลาดุกทะเลตัวโตโ ต, ต, ต, ตยืนพื้นมีกุ้งน้ําจืดตัวเบ่งเบ่บ้างปูทะเลบ้างเล็กน้อยดูน่าสนุกนักในทางปานาติปาดลูกเรือหญิงคอยรับสวิงเทปลาลงท้องเรือเมื่อตักปลาได้หมดกับตันกล่อมของเราก็มองดูจํานวนปลาแล้วก็กุ้ง กับพลลกินทั้งหลายว่าจะพอกันหรือไม่เฮ้ยอีก g ก่ a m ก็น่าจะพอว่านอกนั้นเหลือไว้กินมื้ออื่นละกันทิดกล่อมว่าแล้วพลเรือหญิงก็โดดน้ำลงช่วยกันถอนไม้เสาลั่มที่เก่าไปปักล้อมขนแหงไม้ใหม่ไว้อีกให้เรียบร้อยพอปักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอยเรือไปที่ก r a m ใหม่อีกแห่งหนึ่งแล้วก็ทาการอย่างเก่าจนได้อาหารพอต้องการ แล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยแจวเรือชวนกันออกนอกอ่าวที่มองไปข้างหน้ามีแต่เรือหาปลาขนาดย่อมเช่นเดียวกันจอดระนาวห่างๆกันแทบเต็มอ่าวน่าชื่นชมในอาชีพของชาวทะเลที่เบี้ยน้อยหอยน้อยจริงอยู่ว่าที่พวกเขาทั้งหลายต้องทำปานาติปาดแต่เช้ามืดลืมตาก็ออกทำลายชีวิตผู้อื่นเพราะความจาเป็นของชีวิตทั่วๆไปเรื่องของสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กทุกวันนี้ ถ้าไม่มีพวกชาวทะเลทำบาปมาให้พวกในกรุงก็อดขาดสารอาหารกันไปเป็นเบือ่อกับตั้นกล่อมบอกว่าอาหารพอแล้วต่อไปนี้ขอให้พวกกรุงเทพสนุกกันเขาก็หันหัวเรือเข้าชายเลนฝั่งหนึ่งปักหลักลงไปเลยเอาล่ะทีนี้งมหอยแครงกันน้อยมากตามแต่จะสามารถก็แล้วกันพอเย็นอีกหน่อยค่อยกลับเอาพวกผู้หญิงติดไฟอั้งโลเถอะจะได้ปิ้งได้เผากุ้งกินกันเมื่อพวกผู้หญิงได้ยินทิกล่อมว่าดังนั้น ก็เร่งติดไฟแล้วก็ทําน้าจิ้มเผ็ดๆไว้คอยท่าและทิดกล่อมหรือกับตา น, นําเที่ยวก็พูดว่านี่ทุกคนครับถ้าไม่ได้ลงงมหอยก็สนุกน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าผมจะแนะนำซะก่อนในเรื่องของการงมหอยเนี่ยพวกคุณมองดูเลนนั้นสิครับมันละเอียดอ่อนนะละเอียดจนเกือบจะคล้ายน้ําเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการลงไปงมหอยเนี่ยถ้าไม่มีกระดานเรือลงไปวางบนเลนใต้น้ําไว้นั่งแล้วก็คุณจะค่อยๆจมลึกลงไปลึกลงไป กว่าที่ผู้คุณทุกคนจะชักขาขึ้นแต่ละข้างเนี่ยก็เล่นเมื่อยเลยนะครับต้องเอาก้นเนี่ยนั่งบนกระดานตัวจะไม่จมลงไปในเลนเวลาจะเคลื่อนที่ก็เอาเท้าถีบเลนบ้างมือคุ้ยไปบ้างตัวเราก็จะเลื่อนไปเองแล้วสองมือก็งมในน้าคลาหาพบหอยก็กําขึ้นมาใส่ถังไว้แล้วก็เลื่อนตัวไปตามแบบนั้นนะครับในขณะที่ทุกคนนั่งฟังคาอธิบายของที่กล่อมนั้น พวกผู้หญิงได้บุกลงท้องเรือเลือกจับกุ้งน้ำจืดตัวโตวขึ้นมาปิ้งไฟหลายตัวกลิ่นนี่หอมฟุ้งไปหมดเอาล่ะครับก่อนจะลงแช่น้ำเย็นๆก็ต้องดื่มเหล้าซะก่อนให้อุ่นๆกุ้งก็เผาเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มก็มีแล้วเอาเลยครับที่กล่อมบอกนำพวกกองทัพแห่งการกินก็รลบเข้ารินเหล้ากันทั้งดื่มทั้งกินกุ้งปิ้งใหม่ๆเนื้อหวานดีนักเล่นกันไปซะสบายเลย ก็พอดีมีเรือเล็กอีกลำหนึ่งใบหน้าออกมาจากอ่าวตรงมหาเรามีชายอีกสองคนที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ที่พวกกรุงเทพพักขึ้นมาร่วมวงด้วยแล้วก็ดื่มแล้วก็พูดว่าเนี่ยพี่กล่อมฉันว่าเราไปเอาเหล้าที่คลองบ้านโน้นไม่ดีกว่าหรอบ้านไอ้กังน่ะคนที่มาใหม่พูดเสริมเออจริงสิเว้ยเองสองคนเนี่ยถีบกระดานไปสิทิดกล่อมพูดแล้วก็หันมองดูกระดานสําหรับเก็บหอยที่ท้องเรือ สคนดื่มอีกสองครั้งแล้วก็รีบยกกระดานที่มีหัวงอนขึ้นมานิดหน่อยลงน้ำสองแผ่นหยิบไหาสองใบที่มีลักษณะคล้ายกันกันกบถังวางลงบนกระดานทั้งสองลุยน้ำแล้วก็ดันกระดานไปเข้าเลนแล้วคุกเข่าข้างหนึ่งที่ท้ายกระดานขาอีกข้างหนึ่งทำหน้าที่เป็นใบพัดเรือถีบเลนด้วยปลายเท้ากระดานก็วิ่งชูดชูดไปยิ่งถีบถี่ก็ยิ่งวิ่งราวกับเรือเร็วมองดูไกลออกไปทุกทีทุกที เผลิแป๊บเดียวสองกระดานนั้นก็หายลับสายตาไปพวกผู้หญิงสาคนจัดแจงหยิบกระดานเรือเตรียมให้พวกกรุงเทพได้ลงงมหอยกันสนุกสนานหญิงชาวทะเลนั้นแต่ละคนเนี่ยล่ำสันแต่ว่าไม่มีขี้ริ้วนักหน้าตาบ้นบานๆแต่ก็พอดูได้ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรคนหนึ่งชื่อเรียมเป็นเมียทิดชายเพิ่งแต่งกันเมื่อเร็วๆนี้เองอีกสองคนนั้นชื่อทองหยดอีกคนหนึ่งชื่อจันกาลังงดงามอยู่เลยทีเดียว พวกกรุงเทพก็มองๆแล้วก็เคลิมเคลิ้มคิดไปว่าถ้าจะมีเมียชาวทะเลบ้างจะเป็นอย่างไรแม่สาวเหล่านั้นมีความแข็งแรงไม่แพ้ชายชาวกรุงเวลาทะเลาะกันละก็ไม่โกรธขึ้นมาจะทุบเอาฝ่ายชายสะบักสะบอมไปแน่ๆทั้งแม่เธอส่วนมากก็ดื่มเหล้าได้ไม่แพ้ชายตามเลือดชาวทะเลที่ทํางานกับน้ําลมเย็นน้ําก็เย็นแล้วก็กลายเป็นหนาวการลงทะเลทํางานหากไม่ดื่มเหล้าจะสู้ความเย็นไม่ไหว แม้อยู่กลางแดดจ้าก็ตามลมพัดเอาความเย็นจากน้ำก็เลยเย็นตามเพราะอำนาจของลมชาวทะเลที่ลงทำงานเกี่ยวกับกุ้งกับปลาก็เลยต้องพึ่งเหล้าเพื่อต้านทานความเย็นและก็เหล้าที่กินกันนั้นถ้าซื้อกินไม่พอก็ต้องแอบทําเองโดยผิดกฎหมายบ้างกฎธรรมชาติมันบังคับก็น่าเห็นใจที่ต้องทาความผิดแต่ก็เฉพาะในการออกทะเลเท่านั้นอยู่บนบกทุกคนก็ใช้เหล้ารัฐบาล พวกผู้หญิงก็ชวนพวกกรุงเทพลงน้ํำงมหอยทุกคนทําตามตําราที่ทิดกล่อมสอนพอได้หอยแครงขึ้นมาตัวสองตัวก็เอะอะโวยวายราวกับได้ปลากะพงตัวใหญ่หูตาเหลือกตื่นเต้นเป็นที่ชอบอกชอบใจของแม่หญิงชาวน้ําเธอบางคนก็คงจะนึกว่าถ้าได้ผัวชาวกรุงเทพตัวของแม่เห็นจะต้องจับกุ้งจับปลาให้กินกันแย่เพราะว่าดูแต่ละพระองค์นั้นเนี่ยไม่เอาฐานทั้งนั้น การงมหอยได้เป็นไปราวๆเกือบชั่วโมงความไม่สนุกก็เกิดขึ้นด้วยว่าวิสัยงูทะเลหลายชนิดมักจะวุ่นวายอยู่กับคนมันคงคิดว่าทุกคนที่ลงทะเลจะต้องจับปลางูทะเลมันชอบกินปลามันก็มารุมมาตุ้มไปด้วยคนงมหอยนั่งแช่น้ำอยู่แค่ท้องแค่เอวเจ้างูก็มาไหว้พวพันอยู่บนตักบ้างไหว้เลาะอยู่ข้างชายโครงบ้างเป็นที่หน้าหวาดกลัวหน้าขยะขยงพวกผู้หญิงร้องบอกว่า อย่าไปปัดมันมันจะกัดเอาขอให้อยู่เฉยๆไว้มันไม่ทําอันตรายอะไรเลยแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่คนหาปลายอมไม่คุ้นเคยอดที่จะขนลุกขนพองไม่ได้พอได้หอยแครงมากตัวแล้วก็หาเรื่องขึ้นจากน้ำกันเพราะว่างูนั่นเองกับตันกล่อมแล้วก็ต้นหนนฉายจัดแจงเอาหอยแครงปิ้งไฟให้ชาวกรุงกินมันหอมแล้วก็เนื้อหวานนะัก อร่อยกว่ากินอย่างลวกน้ำเป็นไหนๆหากแต่ว่าช้ากว่านิดหน่อยก็ต้องอดทนคอยอย่างนั้นเวลาได้เย็นลงอีกหรืออาจจะเป็นเย็นมากก็ได้เท่าที่เห็นแสงยังคงสว่างก็เป็นเพราะว่าทะเลนั้นมันโลง่งดวงอาทิตย์อาจจะต่ําเต็มทีแล้วแต่จะให้หมดแสงนั้นนานมากที่ยังรอคอยยังไม่กลับเข้าอ่าวก็เพราะว่ารอคนถีบกระดานไปเอาเหล่ายังไม่กลับส่วนเรือหาปลาเล็กต่างเลิกงานทยอยกันเข้าอ่าว ที่มีใบก็กางใบที่ไม่มีก็แจวกันมาเป็นแถวขณะนั้นผิวน้ําในทะเลไม่สว่างเหมือนตอนกลางวันแม้ว่าแสงท้องฟ้ายังมีก็ไม่สว่างถึงพื้นน้ําชาวทะเลเรียกว่าแดดคว่าหรือว่าน้ำำําดําพวกที่หากินเอากายลงลอยน้ําก็เลิกงานกันทั่วในเวลานี้เว้นแต่พวกเรือใหญ่ที่ลงอวนอย่างเรือตังเกเข้าทํางานกันตอนกลางคืนได้เพราะว่าอยู่บนเรือแดดคว่ำน้ําดํานี้เป็นเวลาของปลาร้ายออกหากิน จริงอยู่ปลาฉลามเมื่อว่ายมาจะกินคนคนก็จะต้องเห็นก่อนเพราะเมื่อมันขึ้นผิวน้ำจะเห็นกระโดงกรีดน้ำเป็นประกายมาแต่ถ้ามีคลื่นอยู่บ้างล่ะคนที่ลอยคออยู่ในน้ำจะเห็นได้อย่างไรกว่าจะรู้ว่ามันจะมาถึงตัวแล้วจึงจำกัดว่าเวลานี้จะไม่ยอมทำกิจการอะไรอีก คนถีบกระดานไปเอาเหล้ากลับมาถึงอย่างไม่มีใครทันสังเกตเพราะว่ามัวแต่คุยมัวแต่ดื่มกันจนเขาตะโกนอยู่บนเลนทางนี้จึงถอยเรือเข้าไปบนเลนแล้วก็รับไหเหล้าขึ้นเรือสองคนจัดแจงล้างกระดานแล้วก็เขียนขึ้นเรือเมื่อล้างตัวเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาร่วมวงแล้วก็ร้องอวดสรรพคุณเหล้ากับพวกชาวกรุงบอกว่าพวกคุณที่มาจากกรุงเทพเนี่ยลองดูหน่อยเถอะครับว่าของบ้านทะเลกับของฝรั่งเนี่ยเป็นยังไงกัน ที่เสริมพูดและก็จัดการรินเหล้าส่งลงไปให้กับชาวกรุงจริงอยู่เหล้าที่ว่านั้นก็ดีแล้วก็วิเศษตามแบบเหล้าชนิดที่ไม่เติมโซดาหากจะเทียบกับเหล้าวิสกี้ของฝรั่งหรือของเมืองไทยมันอร่อยกันไปคนละรสแต่ว่าเมื่อดื่มแล้วก็ต้องรองว่าดีด้วยจริงใจพอเรียบร้อยแล้วก็ออกเรือกันเรือเล็กพ่วงท้ายมาเรื่องเหล้าก็ดื่มกันมาเรื่อยๆจนเสียงเครื่องยนต์ดังตุกกๆุก ก, ก, กมาข้างหลังก็เหลียวไปดู ก็เลยรู้ว่านั่นคือเรือรอกุ้งสีแฮของทิดยุ่นที่มีเครื่องยนต์เล็กๆแทนแรงแจวพอเข้ามาใกล้ทิดกล่อมก็ตะโ ก, ขกนขอเกาะพ่วงพึ่งแรงนิดหน่อยทิดยุ่นเบนหัวเรือเข้ามาลำนี้ก็จัดแจงเทียบและผูกเสร็จเอา้าง่ายทิดยุ่นเติมสติปัญญาหรื อ, อยังอ่ะวันนี้ทิดกล่อมถามเรื่องเล่าเอามันิดหน่อยแล้ว ทิดยุนเจ้าของเรือกุ้งตอบแล้วก็มองกราดดูหน้าพวกกรุงเทพจนทั่วเพราะไม่เคยร่วมวงเล่ากันเลยรู้แต่ว่ามาบ่อยแต่ไม่เคยร่วมวงวันนี้ไปเอาน้ำใสามาจากบ้านไอ้กังมาน่ะเอาทีเะนา่าทิดกล่อมพูดแล้วก็ยกไหรินส่งให้ทิดยุนดื่มอักอักด้วยคอแข็งตามเลือดทะเลหมดแก้วแล้วก็พยักหน้าเออของไอ้กังมันดีตามเคยทิดยุนชมแมมเมื่อกี้อ่ะตาฝาด ฉันเห็นไปว่าในเรือเนี่ยมีทิดอุ่มอยู่ด้วยเนี่ยทิดยุ่นพูดทิดกล่อมหัวเราะแล้วก็พูดว่าเปล่าไอ้อุ่มไม่ได้มาเออถ้งงั้นฉันก็คงตาฝาดแน่เห็นกับตาเลยนะว่าทิดอุ่มอยู่บนเรือทิดยุ่นพูดแล้วก็กวาดตาไปทั่วลำเรือจนไปเจอเอาในตาของแม่เรียมเข่าแม่เรียมคอนทิดยุ่นขวับแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่นอย่างไม่พอใจทิดยุ่นพูดไปโดยไม่มีเล่สนายอะไรตาฝาดดูผิดก็พูดไป เมื่อเห็นแม่เรียมค้อนก็นึกได้ว่าไม่ควรพูดเพราะว่าทิศอุ่มที่กล่าวนามไปนั้นเดิมเป็นคนรักของแม่เรียมแต่ทิศอุ่มจนกว่าทางแม่เรียมจึงไม่มีปัญญามาสู่ขอส่วนพ่อแม่ของทิศชายนั้นพอมีฐานะก็มาสู่ขอแม่เรียมในฟ้อนกับแม่เรียนไม่ใช่คนทําอะไรเอาแต่ใจตัวก็ถามลูกดูก่อนแม่เรียมนั้นไม่เคยรักทิศชายเลย แต่เมื่อจะบอกว่ารักกันกับทิศอุ่มนั้นก็สุดแต่ปัญญาที่จะมีเพราะว่าทิตอุ่มนั้นยากจนทิตอุ่มก็คงจะไม่มีปัญญาจะมาสู่ขอาตามระเบียบก็เลยต้องนิ่งแล้วแต่พ่อกับแม่ยอมแต่งงานกับทิศชายซึ่งทางทิศฉายก็ทำถูกต้องตามประเพณีเมื่อทิด ย, ยุ่นพูดว่าตาฝาดเห็นทิตอุ่มมาในเรือทิดายผัวแม่เรียมนั่งยิ้มเห็นเป็นสนุกจึงอยากจะล้อเมียเล่นให้สนุกครืคร้นนายุนตาฝาดตั้งแต่ยังวันเลยนะ มองหาทิดอุ่มไม่พบก็นี่ไงล่ะทิดอุ่มทิศชายพูดจบก็เอานิ้วชี้ตัวเองพร้อมกับหัวเราะส่วนแม่เรียมนั้นอารมณ์กําลังไม่ดีด้วยความที่ถือแก้วเหล้ากําลังดื่มอยู่แล้วพอได้ยินผัวมาล้อเล่นเช่นนั้นก็เลยเอาถ้วยเหล้าสาดใส่ผัวทิศชายก็เลยร้องเฮ้ยฉันเปียกนะไม่เป็นไรแต่นะักกล่อมเขาเสียดายเหล้านะสิทิศชายว่าแล้วก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีดีว้คนคอเหล้ามันต้องทั้งกินทั้งอาบ แม่เรียมหน้าความทิดยุ่นก็เสียใจไม่คิดว่าแม่สาวเรียมจะเกิดอายแล้วก็โกรธขึ้นมาทิดยุ่นก็เลยนิ่งเงียบจนเรือเข้าเขตปากคลองบ้านกับตันกล่อมก็สั่งปลดเรือแล้วก็แจวเข้าบ้านทิดยุ่นก็เลยแล่นเรือเข้าคลองไปบ้านเรือกับตันกล่อมเข้าเทียบบันไดบ้านเลยเพราะว่าเป็นเวลาที่น้ำขึ้นแล้วเรือนั้นก็เป็นเรือนแพไปพวกผู้หญิงรีบเข้าครัวสุมไฟในเตาให้แรงขึ้น ปลาที่ได้มาในเรือเตรียมพร้อมผ่าท้องและตัดออกเป็นท่อนๆไว้แล้วเพียงแต่จะลงหม้อต้มแกงกันเท่านั้นพอทุกคนอาบน้ําแต่งตัวเสร็จอาหารการกินกับเหล้าก็พอดิษฐ์พอดีแล้วเสร็จคือต้อยมยำปลาดุกทะเลแบบกินกับเหล้าไม่ใช่กินกับข้าวพวกกรุงเทพที่ไม่เคยกินมองดูวิธีทําต้ยมยำปลาดุกและก็วิธีกินต้ยมยำปลาดุกทะเลแกล้มเหล้าอย่างตื่นเต้นเขาวางเต่าอังโลไว้กลางวงแล้วเอากระทะใบใหญ่ ใส่แกงตั้งอยู่บนเตามีผู้ตักแกงใส่จานสังกสีแจกให้ทุกคนตักชิ้นปลาท่อนใหญ่ๆแล้วก็ตักเครื่องปรุงใส่เช่นหัวหอมเผากระเทียมเผาเป็นหัวหัวพริกแห้งเผาขาชิ้นใหญ่ๆลูกมะกรูดปลอกเปลือกผ่าซีกวางไวขง้ข้างๆชิ้นปลาโอ้โหปลาชิ้นใหญ่อย่างนี้เชียวหรอครับในแนบคนกรุงเทพถามอย่างตื่นใจอ๋อชาวทะเลเนี่ยใครเขาก็กินปลาชิ้นเล็กๆไม่เป็นหรอก เดี๋ยวขอหาว่าดัดจริตครับทิศกล่อมบอกการต้มยำแบบนี้ชาวทะเลเรียกว่าต้มทั้งหา้าหมายถึงว่ามีเครื่องพวกชาวทะเลโดยมากเสียงเพี้ยนคำว่าต้มทั้งห้าก็เลยกลายเป็นต้มหารสชาติมันถึงใจพระเดชพระคุณพวกขอเหล้านักความเค็มใส่เกลือช่วยน้ำปลาเพราะกระทะใหญ่ความเปรี้ยวใส่มะขามเปียกทงปั้นมันเปรี้ยวมีหวานเอามะนาวบีบเติมทากลิ่น ผู้กินจะตักปลาใส่ปากเคี้ยวแล้วตักหอมเผากระเทียมเผาแกล้มไปตักมะกรูดชิ้นใหญ่เคี้ยวไปด้วยถ้าชอบตักพริกแห้งเผาเคี้ยวไปด้วยจะซดน้ำแกงก็เอาช้อนตักในกระทะที่ตั้งไฟไว้ร้อนน้อ ย, อยใครต้องการเค็มหน่อยน้ำปลาดีรินใส่ถ้วยไว้เยอะเติมตามใจชอบซดแล้วก็กระแอมไปตา ม, ตามกันบัดโธกินให้สมกับมาทะเลหน่อยนะคุณปลานะ่ะยังอยู่ในกระทะอีกบานเลย เนี่ยของกินกับเหล้าถ้ากินกับข้าวยังมีแกงป่าปลากระเบนอีกปลาเค็มปิ้งอีกทิดกล่อมขอร้องแล้วก็อธิบายเรื่องอาหารในขณะกาลังสกรัมประดุกต้มหากันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงโซ่ลากดังกราวแสดงว่ามีเรือมาทุกทุกคนเหลียวไปก็พบทิดยุ่นกับชายหนุ่มอีกคนขึ้นมาที่นอกชาญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิดยุ่นร้องโบกไม้โบกมืออีกมือนึงหิ้วเข่งเล็กๆมาด้วยลืมไปได้ ตั้งใจจะตักกุ้งซีร์แวรให้ตั้งแต่อยู่ในเรือแล้วไงลืมไปได้ก็ไม่รู้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วก็รีบเอามาให้รีบลวกน้ําร้อนเลยเอามาจิ้มน้าจิ้มกันเถอะพวกคนกรุงร้องบะไปตามๆกันพวกผู้หญิงรับกุ้งไปจัดการในครัวทันทีเพราะว่าวงเล่าก็อยู่หน้าครัวอยู่แล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายทิดยุ่นพูดแล้วก็หยุดนิดนึงความจริงฉันเองก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรหรอกนะแต่มันก็จําเป็นคนบางเดียวกันก็ต้องรู้ ทุกคนมองหน้าทิดยุ่นว่าจะพูดอะไรเนี่ยไอทิดอุ่มมันตายแล้วเวย้ยทิดยุ่นพูดเหมือนร้องฮะทิดกล่อมร้องและทุกคนที่รู้จักทิดอุ่มก็ตาโพลงไปตามๆกันฉันกลับไปถึงบ้านก็รู้ข่าวทิดอุ่มมันกินยาตายเมื่อเย็นเนี่ยเอาไปให้หมอช่วยแต่ว่าไม่รอดก็เลยเอาศพมาวัดแล้วพูดก็หน้าตื่นตื่นซีดซีอุบะมันยังไงกันวะหลายคนร้องไปอย่างคนละอย่างพวกผู้หญิงนั้นตาโพลง ยิ่งแม่เรียมด้วยแล้วก็ตาเหลือกและหน้าซีดขาวถ้าเช่นนั้นที่ทิดยุ่นว่าตาฝาดเห็นทิดอุ่มในเรือลํานี้ก็ผิลึกแย่ซะแล้วเห็นจะไม่ใช่ตาฝาดเอนายุ่นไม่ได้ตาฝาดแฮะทิดชายพูดแล้วก็หันมองดูแม่เรียมพวกผู้หญิงกระถดตัวเข้ามาใกล้พวกผู้ชายให้ตายสิเอา้าเมื่อเย็นเนี่ยฉันเห็นฉันก็นึกว่าฉันตาฝาดทิดยุ่นพูดอย่างสงสัยเนี่ยฉันมานี่ก็ต้องเอาเด็กมาเป็นเพื่อนด้วย ใจฉันเนี่ยมันชักหวั่วาดว่ามันอยู่คลองเดียวกันพูดแล้วทิดยุ่นก็ดื่มเหล้าประกับกำกับหัวใจอักอักไปเลยถ้าจะสำรวจใจทุกคนที่นั่นพวกกรุงเทพเนี่ยไม่เท่าไหร่นักเพราะว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ตายสำหรับคนบางเดียวกันแล้วก็ใจหายแล้วก็หวันวันไปตามกันพวกที่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจแต่ที่ร้ายหน่อยก็คือทิดยุ่นเพราะเกิดเห็นว่าทิดอุ่มมาในเรือนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนใจแม่เรียมนั้นทั้งตกใจกลัวทั้งสงสารในความหลังแต่กลัวจะหนักกว่าคนอื่นๆเพราะเท่าที่เชื่อถือกันอยู่ก็ว่าคนเราลงใจผูกอยู่แก่กันพอขาดใจก็ต้องเลี่วมาอย่างเร็วทีเดียวและแม่เรียมก็คิดว่าทางทิศอุ่มคงจะโกรธเคืองอยู่บ้างที่แม่เรียมไม่คัดค้านหรือผัดผ่อนการแต่งงานวิญญาณที่โกรธอาจจะดุนแรงก็ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวมากส่วนทิศฉายนั้นละ่ะก็คิดไปว่าคนที่รักมันไม่สมหวัง มันต้องโกรธแค้นคู่แข่งมันต้องอาฆาตอยู่เป็นธรรมดาเมื่อมาตายลงอย่างนี้ก็ชักจะหวาดความอาฆาตของมันจะพึ่งหัวใจเมียแล้วก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าเมียก็คงกลัวมากเหมือนกันนอกจากจะมาทํามันยาว่าไม่กลัวเพื่อปัดให้พ้นทางว่าไม่เคยมีอะไรกันจะไปกลัวทําไมคืนนั้นหากไม่มีการตายของทิดอุ่มเข้ามาแทรกก็คงสนุกพอการทีเดียวความกระทบกระเทือนใจของพวกกรุงเทพมีอยู่ว่าเมื่อทิดยุ่นเห็นทิดอุ่มในเรือนั้น หากว่าทิดอุ่มไม่ได้ตายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันก็ไม่น่ามีอะไรน่าคิดเรื่องคงเป็นว่าทิดยุ่นตาฝาดแต่เมื่อทิดอุ่มมาตายอย่างนี้ทิดยุ่นก็ไม่ได้ตาฝาดและทิดยุ่นเห็นใครกันละ่ะเกิดเป็นเรื่องที่น่าคิดขึ้นมาทุกๆคนทั้งผู้ที่รู้เรื่องในในของทิดอุ่มกับแม่เรียมก็มีมากคนด้วยกันจะมีก็เพียงในฟอนแล้วก็แม่เหรียญพ่อแม่ของแมเรียมเท่านั้นที่ไม่รู้อะไรจึงไม่เกิดความกลัวแม้ว่าบ้านของในฟอนแม่เหรียญ จะเป็นบ้านที่ปลูกเสาลงน้ำไม่ติดต่อกับแผ่นดินแต่จะคุ้มอะไรได้เล่าในเมื่อปีศาจที่มีอํานาจไปไหนมาไหนได้ทุกแห่งจึงนับว่าบ้านนี้ตกอยู่ในความหวัดหวันสักครึ่งค่อนไปแล้วความสนุกจึงซาซาไปทิดยุ่นไม่ยอมอยู่นานนักแม้จะมีเด็กหนุ่มมาเป็นเพื่อนก็จริงอยู่แต่ก็ต้องแจวเรือผ่านวัดก่อนจะถึงบ้านเห็นเวลาพอควรก็รีบลากลับตั้งแต่หัวค่า ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นล่ะก็ทิดยุนจะไม่ยอมกลับหัวข้าเลยเด็ดขาดเพราะชอบสนุกลงมาได้ชุมนุมกับทิดกล่อมทิดอาทิดโมแบบนี้ล่ะก็ลีเกจะมีทันทีพอจุดใต้จุดไฟแล้วน่าจะได้ยินเสียงออกแขกลิเกแล้วเวลาออกพระออกนางแม้จะร้องกันผิดกลอนถูกถูกบ้างผิดผิดบ้างก็เล่นกันมาสนักต่อนัก กลุ่มลิเกสมัครเล่นก็เลยงดการแสดงเพียงแต่พูดคุยเรื่องการจับกุ้งจับปลาให้พวกกรุงเทพฟังเป็นความรู้แม่สาวๆพูดว่าการจับปูทะเลนั้นมีมากวิธีด้วยกันจะจับด้วยการล่อหรือจับด้วยการจูโจมแบบบีบบังคับเช่นปูอยู่ในรูคโคลนก็จับกันอย่างมากมายแต่ทั้งๆ ท, ท, ที่ชนานาญการแบบนั้นยังเคยพลาดเอามือล้วงลงไปในรูถูกมันหนีบมือเข้าให้ต้องนอนร้องโอดโออ ย, อยู่ปากรู เอาหูติดดินแต่แคงทนให้เจ็บเข้าหัวใจจนกว่าปูจะเห็นว่าเรานิ่งจริงๆมันถึงปล่อยก้ามหนีบก็รีบชักมือขึ้นอย่างเร็วๆแต่กว่าจะถึงเวลามันปล่อยนะสิเหลือจะประมาณความเจ็บปวดได้เอถ้าเราพูดถึงเรื่องปูแล้วก็ไออุ่มนี่เก่งเลยนะทิดกล่อมเผลอพูดออกไปแต่พอคิดได้ก็รีบหยุดพูดและพวกที่รู้ความเก่งกาจของทิดอุ่มกําลังจะร้องส่งเสริมอยู่แล้วต่างสะดุ้งใจหยุดพูดไปตามๆกัน เปลี่ยนเป็นดื่มเหล้าบ้างกินกับบ้างสูบบุหรี่บ้างตามแต่ถนัดพอดีประจวบกับไอ้เขียวกับอีคาตที่นอนอยู่นอกชาญเกิดหอนขึ้นเฉยเฉยเสียงยาวเย็นเยือกทุกคนหัวใจวูบลงไปอยู่ที่ตาตุ่มตัวชาตาํตาๆกันหมาหอนแล้วก็เห่าอีกนานไม่มีใครกล้าจะตะโกนดุมัน นายประดิษฐ์ซึ่งเป็นคนกรุงเทพผูพ้ที่ไม่เคยกับเรื่องลับเรื่องลี้ของพวกบ้านนั้นก็แสดงความกล้าด้วยฤทธิ์ของสุราลุกออกจากวงไปเดินอยู่ที่นอกชานสักครู่ก็กลับเข้ามาไม่เห็นมีอะไรนี่ครับแต่เอดูเหมือนว่าจะมีใครมาลอยเรือเล็กอยู่ใกล้บ้านเรานะมาก็เห่าแล้วก็หอนไปนายประดิษฐ์พูด ทิดกล่อมขมวดคิ้วคิดว่าจะต้องเป็นใครมาตกปลาอยู่ใก ล, ก ล, กล้ๆก็อยากจะรู้ว่าเป็นใครจึงลุกขึ้นยืนชะงโงกหน้าดูทางช่องลมริมชายคาแล้วกลับเซก้นกระแทกโครมลงกับพื้นพร้อมกับร้องว่าไอ อ, ะ อ, ะอุ้มได้ยินดังนั้นทุกคนไหวตัวยวว ต, ตาโพลงฝ่ายผู้หญิงร้องหวีดผวาเข้าเบียดผู้ชายทั้งทางที่ไม่คุ้นเคยกันเลย ความอัลลามาในหัวใจได้เกิดแก่คนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากซึ่งมีที่มาจากการแสดงกายของทิดอุ่มในเรือที่ปากอ่าวให้ทิดยุ่นเห็นและพูดออกมานั่นเองเป็นชนวนไฟให้ลูกลามถ้าไม่เกิดเหตุอย่างที่พูดนี้ก็จะมีอะไรก็เพียงจะดูว่าคนที่รู้จักกันคนหนึ่งได้ตายไปแล้วก็พากันสลดใจตามธรรมดาไม่ถึงกับเกิดกลัวครั้นทิดกล่อมมาร้องขึ้นอีกว่าทิดอุ่มมาลอยเรืออยู่ใกล้บ้านหมูหมามันก็หอนกันซะด้วย มันก็เลยเป็นเรื่องรุกล้นอย่างหนักแม้คนจะเคยกล้าหาญขวัญก็เสียได้เฉาบ้านชาวช่องชาวทะเลที่มีอยู่หลายชั้นถ้าชั้นร่ำรวยเป็นเจ้าของโปะ๊ะบ้านก็ใหญ่และแข็งแรงแน่นหนามิดชิดแต่ถ้าหากว่าเป็นชาวทะเลธรรมดาธรรมดาบ้านมักจะทําเอาง่ายๆพื้นเรือนน่ยแข็งแรงดีแต่ฝาบ้านมักทําเอาง่ายๆเช่นเอาทางมะพร้าวมาตัดใบสองข้างให้สั้นลงแล้วเอาทางมะพร้าวที่ว่านี้เนี่ยมาขัดเบียดกันให้แน่น อัดเข้าไปจนชิดมันก็เกิดเป็นไม้อัดแข็งแรงมิดชิดในระยะยังไม่แห้งนักแต่พอมันแห้งกรองเข้าก็ยุบตัวตามธรรมชาติฝาก็เลยห่างมีลมลอดเข้ามาได้มันก็ดีไปทางว่าไม่ร้อนแต่ว่าถ้าหน้าหนาวนี่วุ้นนักและมาเกิดกลัวผีขึ้นก็นึกว่าผีแทบจะลอดเข้ามาในบ้านได้อย่างสบายกระดานพื้นปูที่ปู ด, ด้วยไม้อย่างดีก็จริงแต่ไม่สนิทนานๆเข้าก็มีร่องห่าง ถ้าเกิดกลัวผีก็คิดว่าผีจะแย่นิ้วขึ้นมาได้ทางร่องในฟอนพ่อของแม่เรียมเห็นกิริยาคนในบ้านเป็นไปดังนั้นก็เกรงว่าเรื่องจะไปกันใหญ่ก็เลยลุกพรวดพลาดขึ้นพร้อมกับร้องว่าปิดแผงเถอะพวกกรุงเทพที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงก็เกิดกลัวขึ้นบ้างครั้นเห็นในฟอนผุดลุกขึ้นจะปิดแผงฝาบ้านพวกกรุงเทพที่มีริดสุราอยู่แล้วก็วิ่งฮือตามกันออกไปนอกชานไปช่วยในฟอนลากแผงได้เรียบร้อย โดยทุกคนที่ออกไปนอกชานนั้นก็ว่าไม่กลัวผีแต่ไม่มีใครหันไปดูทางน้ําที่ว่ามีทิดอุ๋มลอยเรืออยู่สักคนเดียวต่างก้มหน้าก้มตาช่วยกันสากแผงปิดทิดกล่อมเป็นคนไหวในเรื่องร่องพื้นห่างรีบเข้าห้องหอบเสือออกมาหลายผืนก็ช่วยกันปูจนเต็มเพราะว่าเป็นความจริงอย่างทิศกล่อมคิดทุกคนไม่ชอบลมที่พัดลอดร่องขึ้นมาก็เลยรีบเอาเสือปิดเพราะว่าในขณะนั้นรู้อยู่แล้วว่าทิดอุ่มลอยเรืออยู่และใต้ถุนก็เป็นน้ํา ทิดอุ่มจะพายเรือเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นายฟ้อนเอาหมอนมากใบและผ้าห่มมาให้การกินก็เลยเลิกกันไปสักช่วระยะแต่ใครจะกินก็กินได้ที่เกาะกลุ่มกันบนเสือนั้นก็มากคนทิดสองคนที่ลอยตัวบนไม้กระดานไปเอาเหล้ามาให้ก็เลยกลับเรือนตัวเองไม่ได้รวมกันอยู่บ้านนี้หมดฝ่ายเจ้าของบ้านนั้นก็นึกใจวันว่าถึงพรุ่งนี้และต่อไปเพราะพวกกรุงเทพจะต้องกลับกันในรุ่ง ข, ขึ้นวันอาทิตย์เดินทางสองทอด วันจันทร์เขาทำงานกันถ้าอยู่และพักกันแค่มหาชัยยังกลับรถเช้าวันจันทร์ทันไปทำงานที่อยู่แม่กลองก็ไปไม่ทันเมื่อไปกันหมดแล้วทางบ้านก็จะเงียบลงอีกในเวลานั้นดีอยู่อย่างเดียวที่ว่าไม่มีใครนึกอยากถ่ายไม่ว่าทางหนักหรือทางเบาความกลัวทําให้งานกันหมดถ้าหากมีขึ้นจะลําบากมากเพราะว่าชาวชนบทไม่ชอบทําส่วมในชายคาบ้านจะต้องปลูกห่างออกไปทําสะพานเดินไป หน้าฝนเปียกและหน้าหนาวก็หนาวถ้ากลัวผีแบบนี้ก็แย่เท่านั้นเรื่องของเรื่องในขณะนั้นแม้จะทำร่องพิเศษไว้ถ่ายเบาในห้องใครล่ะจะกล้าเพราะทิศอุ่มอยู่ข้างล่างคืนนั้นหลับได้โดยหลับอย่างนกตามสมัครใจพอรุ่งขึ้นชาวกรุงเทพก็ลากลับอยู่อีกไม่ได้เพราะว่าเวลาจากัดห้าหกคนกลับทิศกล่อมทิศชายแม่เรียมและอีกสองสามคนนี่นาจืด ส่วนในฟอนแม่เหรียญ น, นั้นอายุมากไม่ค่อยจะมีความรู้สึกอะไรมากนะักว่างๆก็มาเที่ยวกันอีกนะครับในฟอนว่าความจริงก็ไม่มีอะไรเขาตายที่บ้านเขาแต่เขามาวุ่นกันไปเองแต่ผมเห็นใจครับในฟอนกล่าวเมื่อพวกกรุงเทพก้าวลงเรือแจวที่จะไปส่งที่เมืองพวกลาก็ยกมือไหว้กันเป็นแถว